ที่ก็ทาวัดสวดมนต์แสดงธรรมเหมือนกันตามวัดวารามต่างๆลังเทศลังสอนกันอยู่ไม่ใช่เราอย่างเดียวมีทั่วๆไปแล้วก็ <c oughs>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 เมื่อลรเราจะเปลี่ยนสักทีจะอยู่จนตายอย่างนั้นเดีเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างมันก็มีอยู่ความหลงก็มีอยู่ลองดูว่าแต่มีความรู้สึกจะเห็นตัวหลงในีต่อหน้าต่อตาเพราว่าที่หลงมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ไปซอกไว้คน้นหาที่ไหนเหมือนตลาดนัดของสิ่งสรรพจริง ถ้ามีสติไปในกายแล้วกายนี้เป็นตลาดนัดกุศลหรอกุศลใจก็เป็นตลาดนัดกุศลรอกุศลหาไม่ยากเพียงแต่เรามีสติดูเนี่ยไว้ตอบอกเองเห็นเอาเองพุณเจ้าสอนอย่างนี้พุณเจ้าบอกว่าอย่างนี้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 ขึ้นาแล้วเราก็ช่วยกันมาได้จริงๆแต่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันได้บอกกันได้ขี่ทางกันได้ชวนมาทางนี้อย่าไปนูน้นอย่งนี้บอกได้แต่ถ้าไปหัดก็คนที่ถูกสอนก็ทําให้เป็นคนที่ถูกบอกก็ทําให้เป็น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 ผู้ที่จะเลิญสติจะได้กับเสแยแห่งพระนิพพานคือมันเห็นอย่างเนี้ยเอาว่าที่รู้มันก็มีสตินั่นแหะเสแย่แล้วนะ <c oughs> เป็นทางไปแล้ว<อ>ให้เห็นนะ่ะเป็นทางไปแล้วเห็นกับเสแยแห่งพระนิพพานกับเสแย่น้อยๆไปในลวมันหลงเห็นมันหลงเนี่ยเอาไปเถอะ แล้มาสร้างภาวะที่รู้ขึ้นมาอย่าไปหาเหตุหานะผลทำไมจึงหลงทำไมจึงทุกข์อย่ามีทาไมนักปฏิบัตินักเจริญสติไม่มีคำว่าทำไมภาษาไทยับั์นี้ลบออกได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้เลยนี่แต่เห็นเป็นเช่นนั้นเอง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 เธอเยอะเครื่องมือที่ทํทำให้หลุดพ้นเราอย่าจนหามาในชีวิตเหล่านี้เวลาบรรทุกก็อย่าเป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์กเห็นสักว่าสักว่าสักว่าไปเห็นคิดที่มันคิดอย่านึกว่าตัวตนในความคิด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 อ่นตำรายออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอัแรกก็เป็นกายเป็นใจก็เห็นไปเห็นมาหลายโลบหลายทั้งคุณหน้าคุณตาเขาเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมนั่นเป็นรูปกายเนี่ยอันที่มันรูปเลยได้นั่นเป็นนามธรรมปันรูปปันนามนี้มันเป็น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 เศคารธรรมาเศคารธรรมะเนวะเศคานาเศคารธรรมาปลิตาธรรมามหคตาธรรมะปปปนาธรรมาปนิตาธรรมะฮอ่าพเราไปฟังพระสวดแต่ว <speaking> ่าเราไปนึกว่าพระสวดให้คนตายที่จริงพระท่านสอนเราอัจฉตาธรรมะภัาธรรมาอัจฉตาธรรมธรรมภายใน จัดภายในคือกายใจของเราให้มันดีไปิทำท่าภายในอกถ้าแต่ทาแต่ล่าแต่แป้งแต่งแต่ดอกไม้ทูบเทียนภายในไม่จัดเอเอเฉ<อ>ข้าทธรรมพระก็ต้องศึกษ า, <อ>าชีวิตต้องศึกษาเ<อ>ารื่องเฉข้าธรรมเฉข า, าธรรมไม่ต้องศึกษาอกีก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 ก็เป็นประโยชน์ต่อสัพพชิงทุกสิ่งในโลกด้วยแจกของต้นตะเกียงเลี้ยงคนตั้งเมือกได้ถ้ามันมีน้ำใจต่อความชอบธรรมเมื่อมีควาคคคมไปทำเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งก็เป็นความไปทำเกิดขึ้นจากคนที่หนึ่งที่สองที่สามไปสิ่งอื่นวัตถุอื่นได้นี่เราอย่าให้พลาดต่ชาตินี้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 พุโทโธตนนัวนี้พุโทโธพอนี่ยปาด ท, ทูปาดโธนะปาดโธปาดโธตื่นขนาดนะ่ะลู่ตื่นเบิกบานขึ้นมาปาดโธแล้วก่อนไม่เห็นนะบันนี้มาเห็นแล้ววานเดียว น, น อ, อนต่อไปสอนคนจีนของโคตร อ, อมาจากปากเขา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 หรือปล่อยให้มันลอยไปอย่างนั้นหรือเทือนเถือนอยู่เช่นนั้นหรือปล่อยเลยก็คืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวอย่างนั้นหรือไม่ได้เห็นว่ามันเทศอยู่ที่นี้นั่นแหละไม่ได้แก้ที่นี้ไม่จะไปอาธรรมละลายอ้อนวอนอยากจะได้บุญลลายกุศนตรงไหนหลังตาก็บอกว่าใจไล่เดินะละลูกนะ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 ก็ให้จิตเศร้าหมองหน้าเงาหนางอหน้าปวดทำแบบนีทําไมทำไมำไม่ชื่นบานพุทถุเห็นความโกรธก็ขึ้นอุทธรธรธรธอายนโมเทียนะท้ายโกรธนี่อายให้แก้ผ้าอ้อมบ้านจะเอาทังแก้ผ้าเดินอ้อมบ้านอันที่มันหน้าอายจะทาแบบนั้นนะท้าโกรธเนี่ยไม่เอาแน่นอนให้แก้ผ้าอ้อมบ้านในกลัวถ้ามีใครบังคับ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 ไปดูไปดูความไปอยู่ของคนกินพ้ะกินพิกสุนิกินไม่เหมือนเรานะของอยู่ของกินเต็มห้องนะตอนเย็นมีผลหม้ดอกไม้มีอะไรกินขนมอะไรมีกินน้ำร้อนน้ำอุ่นต้องไว้ในห้องหลงตาไปอยู่มกงนเนี่ยเยอะๆเลยเออวางให้กิน แอปเปิลลูกโทษสงกับป <c oughs> ั่นแต่ไปหมดเลยองูมลูกโท่เนี่ยเอามาไว้ให้ฉันตอนเย็นนะเองดื่มเยอะเลยเราไม่ฉันเราไม่ฉันเ็าก็มาปั่นเป็นน้ำให้ปั่นทุกวันเห็นเราไว้ฉันเลยเอามีดมาให้ปาดฝานอะไรกินแล้วก็ไม่ทำอะไรเอามาทำน้ำให้